สมาสามพุทโธเป็นผู้แต่สรูเองบทที่สองวิชาเจรณะสามปันโนเป็นบทเป็นผู้มีวิชาและเจรณนะคือหมายความมีความรู้ความฉลาดเกียดแหลมและกับคิสมกับความรู้ความเกียรแหลมทั้งตนถ้าจะพูดเรื่องเจรณะจะมีมากมาย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 ว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรและมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปพัวพันในเรื่องโลกทั้งสังนั้นจริงเรงว่าโลกเกาวีทูกมีคำพิษอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพืดอเจ้าเรียบโล ก, กคือด้วย ไปเที่ยวเรียบรลมดโลกทั้งสามตลอดหมดแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอนุของพระเถรองสมายืนนานเลยนะแต่ตะทะรู้มาแล้วก็ได้สี่ห้าปีที่ไหนจะไปเที่ยวละโลกเรียบโลกอจนตลอดหลอดสั่งไม่มีหรอกคือเอาความรู้นี่แหละไปรู้รอบมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมาทุกสิ่งทุกประการ ในต้งโลกสามเรียวกว่าเที่ยวเรียบหลอกเ ล, ลาะโลกนีวโรก็จึงเรียกว่าโรกวิทูอนุตตรโรปุริส ธ, ธรธรมสาลสาทาัทธิสัทธเทมุสนานุฑุมเป็นลัทธิสัทธะเทมุตนาหังเป็นผู้ทรมานซึ่งมนุษย ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิคนตําต้อยก็ประรมาณได้ด้วยธรรมะคนท่ามกลางและคนมีวิชาความรู้สูงสุดพ้องหาวิธีประมาณอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อาญาบังคับแต่ชักชวนด้วยธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมละความชั่วของตน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 จึงเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความพัไทยเบิกบานไม่เ้าหมองาผู้กันตามภาษาบ้านเราเ้าเรียกว่าจิตใจผ่องใสยิ้มแย้มเตียนใส่ตลอดการเวลาเพราะที่เลนสันดาปเขาบอกงงไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุรูปโง่งหมดแล้วไม่ติดไม่ฟัวพันอันนี้จริงเรียกว่า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 อยากจะได้เก็บโอ๊กผักมาจีดน้ำพริกเห็นหน่อไมย้ยอดผักคิดถึงจะเอามาแกงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพล่ออกมามันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีคืนในใจไม่มีความสงบ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 ใ น, น, นทางธรรมราก็ได้เจ้าทั้งสองโกรธนั้นคือไฟมันไหม้คือมาในหัวใจพระพวกมาเปียกเหมือ น, นกันกับไฟปากเหมือนกับไฟไม่ตั้งอื่นไกลละไฟนั่นนะ่ะเหมือนกับหัวไม่ขีดไฟละไปเวลาเราชักไม่หัวไม่ขีด่ด่าชักอันหนึ่งนิดเดียวน่ะ เอามาขีดคือกระทบกับหน้ามาันพอกระทบปักเขอเท่า น, นั้นแหะติดเขาจ่าเลยมันติดนิดเดียวเท่านั้นแนหะเขาจ่าแล้วก็สว่างออกมากระติดก้กาน <c oughs> มันไม่ ก, ก้านองไม่กันนะเราไม่ทิ้งก็ไม่ทิงมือให้ไว้ตรงเสีกองที่ยาที่เหงื่ออย่างเยอะเชือ่อป่อย่างต่างกับลุกผู้มา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 ความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมองๆบางกลม่นตัรักอะไรก็เอาเถอรูปเสียงก ล, ป ล, ปลิ่นรสโปรดัจจัาจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามแล้วรักสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยสมมติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างแต่เป็นรถเป็นลาต่างเป็นบ้านเป็ น, นช่างเป็นเรือนเป็นชามอะไรก็ตาม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 ดังอธิบายมานั่นเป็นเหตุให้ใจเศ้าหมองเป็นเหตุให้เดือดร้อนถ้าหมดละหมดรักหมดโกรธหมดโลภหมดหลงพรองอ น, นิจังทุกขงังนาตาเห็นตาภาตามเป็นจริงจิตใจจะค่อยผ่องใสเบกิกบานหายที่จากความทุกข์เดือดร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าหากว่าเรามารักสมโกรธ